อาศัยแล้วมีอัฏฐะเป็นอันเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันพระมหากดิตะก็ชื่นชมพาษิทธ์ของพระสาวรีบุตรเถระหมายเหตุสูตรนี้เป็นหลักวิชาอย่างสำคัญจึงย่อไว้ค่อนข้างพิสดารในกรณีที่อธิบายวิญญาณว่ารู้แจ้งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นนับว่าแปลกกว่าที่อื่น ซึ่งอธิบายวิญญาณว่ารู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูเป็นต้นแต่ถ้าดูในทาตตวิพังคสูตรในพระไตรยัยปิฎกเล่มที่14บสซึ่งจะกล่าวข้างหน้าก็จะเห็นว่ามีเขาอันเดียวกัน